สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับแในวันนี้นะครับจะเป็นชีวิตพระเยซูสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับความจริงแล้วเรื่องทรัพยสมบัตินะครับก็นํามาซึ่งความยั่วยวนนํามาซึ่งสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นจุดที่รอลวงและทําให้คําสอนใ น, พ, นพระเจ้าตามคระจักรต่างๆในัช่วงนี้นะครับก็ได้เริ่มเคลื่นไปพี่น้องครับในบทความนี้นะครับได้คัดมา จากปปทนะครับก็คือคณะกรรมกา ร, รสถานงานโปรเทสชันแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีคณะกรรมการทํางานที่เกี่ยวข้องากับการสรุปคําสอนของข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือกิติคุณแห่งความมั่งคั่ง posteriority gospel นะครับจากการสรุปนะครับว่าข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็คือเขาเชื่อว่าผู้เชื่อมีสิทธิและพระพระด้านสุขภาพร่างกายความมั่งคั่งถึงด้านการเรงินนะครับ เรียว่า health health คือแปลว่าสุขภาพครับ and well, well แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยครับ gospel ก็คือกิตติคุณผู้ที่เชื่อนั้นมีสิทธิรับพระพรด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงินเขาสามารถได้รับพระพรนี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อและการหว่านเมล็ดพันธุ์ผ่านทางการถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อท่านครับนี่คือคําสอนเทพนะครับผมขอกล่าวย้าเน้นอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือคําสอนเท็จพทศเสียนสามารถได้รับความเจริญรุ่งเรือง ที่เน้นเรื่องการกินดีอยู่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีปราศจากโรคภัยแค่จัดทั้งปวงเพียงให้เขามีความเชื่อในพระเจ้าโดยถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างฉับซื่อนะครับนี่คือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนนะครับคณะกรรมการคอพทอนั้นเห็นด้วยกับขุยจัดส่วนใหญ่ว่าข่าวเผชิญแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้เป็นคําสอนเพียนเท็จและสนับสนุนการทํางานแนวทางของคณะทํางานโลซานได้ต่อต้านคําสอนเทียนนี้ดังต่อไปนี้ครับ เราเห็นด้วยว่าคําสอนเท็จแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นปรากรการที่ไม่เจาะจงคณะ น, นิกายความเชื่อสองเราเห็นด้วยว่าบางมิติของคําสอนนี้มีต้นกําเนิดจากพระกัมภีร์แต่ในภาพรวมแล้วเราเห็นว่าคําสอนนี้เป็นเท็จและบิดเบือนพระกัมภี์อย่างร้ายแรงพี่น้องครับคําสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นแบ่งออกเป็นสองคำสอนอใหญ่ๆคือหนึ่งคำสอนที่เน้นเรื่องความมั่งคั่งทางทรัพย์สินเงินทองพระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคน ยำ้ำเน้นครับว่าทุกคนร่ำรวยสองคำสอนที่เน้นเรื่องสุขภาพดีพระเจ้าประานานให้คริสเตียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงปัดจากโรคภัยแค่เจ็บการวางมือรักษาโรคเป็นส่วนสำคัญของคำสอนนี้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของฤทธิเดชของพระเจ้าผ่านทางผู้ที่มีของพัดทานพิเศษในการรักษาโรคบนความเชื่อของผู้ที่ได้รับการรักษาจะสังเกตเห็นว่าคาสอนทั้งเหล่านี้นะครับ มักจะมีพื้นฐานของการตอบแทนของผู้เชื่อก็คือต้องมีความศรัทธาในตัวผู้นําต้องมีความศรัทธาในคนที่มีขอประทานพิเศษเหล่านี้และต้องถวายทรัพย์ครับนี่คือคําสอนเท็จของคนที่เป็นเท็จเป็นผู้ที่มาจากการล่อลวงของมางซาตานเี็นไหมครับอาจจะมีนักเทศผู้รับใช้บางท่านนะครับที่ตกอยู่ในบ่วงแร้วของมางซตานตกอยู่ในกบ มาร์สตานกำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยหารู้ไม่ว่าอาณาจักรตัวเองนั้นไม่ใช่เป็นอนาณาจักรของพระเจ้าครับแต่อาณาจักรที่หลอกลอ่อหลอกลวงโดยอ้างพระเจ้ า, จาและนี่ครับคือกับดักของมาร์สตานที่หลายหลคนผู้รับใช้พระเจ้าที่เคยมีชื่อเสียงเคยมีประวัติที่ดีได้ตกหลุมคําสอนเทศนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อสี่ประการครับพื้นฐานความเชื่อสี่ประการนะครับโดยอ้างจากโพระเจ้า ประการแรกก็คือเขาได้อ้างว่าพระเจ้าสัญญาจะอวยพรอับราฮัมให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคริสเตียนซึ่งลูกหลานอับราฮัมคอยวิญญาณก็จะต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนอบราฮัมเช่นเดียวกันประการที่สองครับการสิ้นพระชนของพระเยซูบนเงินงเขนนั้นไม่เพียงแต่เป็นการไถ่าบาปของเราแต่ยังเป็นการไถ่ถอนความเจ็บไข้ได้อดปวยความยากจนและสิ่งทั่วรไรทุกอย่างในชีวิตที่สิ้นออกไปจนหมดเช้นด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นหนี้อะไรต่อไปแล้วเราไม่เป็นหนี้อะไรอีกต่อไปแล้ว ผู้เชื่อเพียงแต่เรียกร้องสิทธทิแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเราและเราก็จะได้รับอภรรเขานั้นครับนี่คือการเรียกร้องการอ้างนะครับการเคลมนะครับอันนี้เป็นความผิดพาด ค, ครับเป็นคาสอนเท็จประการที่สามครับความเชื่อเป็นพลังที่ทำให้ความปรารถนากลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะทำให้เราเรุ่งเรืองเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรให้เราร่ำรวย มีสุขภาพที่แข็งแรงปรสัสสาวะก็ภัยแค่เจ็บเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อนั้นเป็นกุญแจที่สําคัญที่นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผู้ที่ไม่ร่ารวยผู้ที่ยากจนผู้ที่ไม่หายจากโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าเขาขาดความเชื่อนะครับเราสามารถที่อ้างความเชื่อและใช้ความเชื่อนั้นเป็นตัวบีบบังคับพระเจ้าให้พระเจ้าทําตามพระสัญญาของพระองค์นะครับบางคนก็ขาดความเชื่อบางคนก็มีบาปบางอย่างที่ช่อนอยู่นะครับฟังไปแล้วก็ดูเหมือนจะใช่นะครับ แต่จริงๆแล้วเราจะต้องใช้ความเชื่อความศรัทธาและร่วมไปกับการผ่อมใจร่วมไปกับการแสวงหาหน้าไม้ไทยของเจ้าต่างหากครับเพราะว่าจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวครับที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะครับและผลทวงแห่งความบาป ก, การลงการลงโทษนั้นไม่มีอยู่ในคนทั้งหลายที่อยู่ในระเพย์ชุกทิศแล้วนั่นหมายความว่าของพวกเรานะครับผู้ที่เชื่อนั้นไม่มีการลงโทษต่อไปครับประการที่สี่ครับ การถวายทรัพย์เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อภายในหรือเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งจะนํามาสู่การทวีคูณของความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการรับผภารมากต้องถวายมากๆครับนี่คือคําสอนเทมเทพสนะครับพื้นฐานอยู่สี่อย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้านะครับได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าสิ่งต่างเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังครับข้อโต้แย้งนะครับของคําสอนเทมเทพส นะครับข้อโต้แย้งเหล่านี้นะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเราจะต้องโต้แย้งให้ได้เราต้องป้องกันหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องให้ได้นะครับเราจะเห็นว่ามีคนสําผัญหรือคนจํานวนมากถูกหลอกโดยคําสอนดังกลา่าวให้เชื่อในความเชื่อที่ผิดเพี้ยนหรือบางคนอาจจะมีจุดอ่อนนะครับก็คือร่างกายไม่ค่อยสบายหรือบางคนอาจจะมีจุดอ่อนก็คือมีความยากจนหรือมีความปิดหวังนะครับประสบความล้มเหลวในหน้าที่การงาน ตกงานหรือทําการค้าธุรกิจขาดทุนคนเหล่านี้ครับต้องการสิ่งเหล่านี้ผู้ที่สอนเทียมเทศก็รู้ว่าความต้องการของผู้คนซึ่งเป็นคเครื่เสียนอยู่นั้นเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็ทักจูงนะครับและหลอกล่อให้ยิ่งสวายทรับมากแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะหานะครับหาคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับในทํานองคล้ายๆอย่างนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะมาเป็นพยานครับและบอกกล่าวเล่าสิบ ถึงเรื่องราวที่พระเจ้าช่วยเขาเมื่อเขายากจนเมื่อเขาตกกต่ำเมื่อเขาเจ็บป่วยคนเหล่านี้ครับจะตกเป็นเหยื่อของผู้รับใช้ที่หลอกล่อไปแล้วนะครับผู้ที่สอนเพี้ยนเสด็พี่น้องครับหากว่าความคาดหวังที่เกินจริงนะครับความเชื่อที่ผิดเพีย้ยนเมื่อความคาดหวังเหล่านี้ไม่ได้ตอบสนองใครเป็นคนรับผิดชอบครับหลายคนก็เลือกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าแล้วออกจากพิศจากไปเลยเพราะฉะนั้นคําสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับบอกว่าทุกคน ทุกคนจะต้องเจรรุ่งเรืองทุกคนจะต้องแข็งแรงทุกคนจะต้องประสบกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะครับเสมอนี่คือคําสอนที่ผิดเพี้ยนครับคําสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้ได้ละทิ้งคําสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อนะครับของเราเช่นความมีสิทธิอำ น, น, นาจสูงสุดของพระพีนะครับการมีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะให้บังเกิดสิ่งใดก็ได้ในชีวิตของผู้เชื่อโดยที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าและพรงทรงรสัตย์พันอยู่ ทรงชงทราบว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและนําผลดีให้กับผู้ที่รักพระองค์เสมอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเราจะต้องรู้ว่าสิทธยมหน้าสูงสุดของพระบัมภีร์ในฐานะเป็นพระจนะของพระเจ้านั้นสูงสุดนะครับและพระเจ้านั้นที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่สูงสุดทรงรงสัพพงอยู่ไม่มีอะไรที่รักเรามากกวา่าพระเจ้าไม่มีอะไรที่รู้จักเรานะครับเท่ากับเจ้านี่ครับพี่น้องครับ แนวทางการที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าคริสเตียนในคริสตจักรบางคนหรือและกระชั่งผู้รับใช้บางคนที่มีชื่อเสียงนวครับคำนี้ครับคนเหล่านี้ครับนำคำสอนแห่งความเจริญเมืองมาหรือเปล่านะครับหลายหลาครั้งนะครับเราแยกไปออกครับเพราะว่ามาแบบแนบเนียนเหลือเกินครับมาแบบแนบเนียนเหลือเกินนะครับมาในการอบรมต่างๆมาในการสัมมนาต่างๆนะครับมาในลักษณะของความหวังดีนะครับแต่ที่น้องครับเราต้องระมัดระวังให้ดี และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะดเติอนสติแล้วก็หนุนใจที่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายเกี่ยวโยงมาถึงกิติคุณแห่งความมั่งคั่งกิจิคุณแห่งความร่ำรวยกิติคุณที่บอกว่า health and wealth gospel นะครับคนเหล่านี้นะครับไม่ปรารถนาให้สมาชิกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาไม่ค่อยเน้นให้เรียนให้คุณพีนะครับเขาไม่ค่อยเน้นที่จะต้อง ให้พึ่งพาตัวเองนะครับแต่ให้พึ่งพาผู้นําครับและไม่สามารถแยกตัวอิสระจากผู้นําได้นะครับคนเหล่านี้ทําให้เราซึ่งเป็นคนเสียงผู้เชื่อนั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับและสูญเสียความสามารถในการแยกแยะการให้เหตุให้ผลนะครับจนจะต้องเชื่อฟังผู้นําเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีระบบต่างๆนะครับที่มาบริหารคริกจักรนั้นก็สั่งให้เชื่อฟังผู้นําแต่คนเดียวนะครับผู้นํานั้นก็มีสิทธิมหน้าสูงสุด อันนี้คือสิ่งที่ผิดพา ค, ครับเรามักจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในบรรดาผู้นําและคําสอนพยายามเทศเสมอขอพระเจ้าอวยพรพที่ร้องเรียกทุกท่านนะครับและขี้จักรทุกขี้จักรที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เราเห็นนะครับให้เรามีของประทานฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะวิญญาณแยกแยะถูกผิดนะครับสังเกตวิญญาณครับว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน